ตีสี่ของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงส่วนเด็กชายจเจริญจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรซึ่งพระจะมาประมาณ6นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานจะลงไปช่วยกันรวนดินถางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนำไปขายในตลาดเมื่อจัดเตรียงสินค้าลงในสาแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายเตรียมตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาของไปขายยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักหากวันใดผลิตผลมีมากจนยายหาคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่สาหรกอีกคู่หนึ่งหาไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาสาหรกเปล่าสองคู่กลับบ้าน วันรุ่งขึ้นยายตื่นนอนแล้วจึงเดินไปปลุกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งไอ้หนูลุกขึ้นไปก่อไฟตั้งหมอข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาทเองนี่ไม่ไหวเลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็ น, น้นไม่เรียกไม่ลุก ไม่ปลุกไม่ตืน่นยายปลุกพลางบ่นพลางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำซซากๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆที่ทันสมัยกว่านี้มาบ่นนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะอ้คนอายุแปดสิบขู่เมื่อเห็นคนอายุสิองยังนอนเฉยทําเป็นทองไม่รู้ร้อน คำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับขยื้อนกายอยากจะลองดีเรื่องไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบบนขาของเขาซึ่งคะแนนแล้วว่าคงจะไม่ถึงกับหักแม้ดีจังเลยยายผมกำลังเมื่อยอยู่พอดียายมาเหยียบให้ผมทุกวันเลยนะครับตีนยายนิ่มๆเด็กชายยังไม่ยอมลุกแม้จะรู้สึก ด้วยยายรูปร่างอ้วนงั้นหรือยายมียาแก่เมื่อยขนานเอกรอเดี๋ยวนะจะไปหยิบมาให้แล้วยายจึงออกไปหยิบไม้เรียวซึ่งเตรียมไว้สําหรับเขี่ยนเด็กผมแกะโดยเฉพาะทำจากกิ่งมะขามสดลิดเอาใบออกเคยเสียรู้หลานในเรื่องนี้มาแล้วเพราะเขาไปตัดกิ่งสนโมาให้ทำเป็นไม้เรียวกิ่งสนนั้นเบา ตีแล้วคนถูกตีจะไม่รู้สึกเจ็บได้ไหมเรียวแล้วใหญ่เข้าไปในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกตีไม่นับเด็กชายกระโดดหญิงรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟตั้งหม้อข้าวไฟยังไม่ทันจะติดตีเขาจึงจับดุ้นฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกความง่วงทำให้นั่งหลับสงกอยู่หน้าเตาไฟทั้งที่มือยังจับดุนฟืนอยู่ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานด้วยไม่ได้ยินเสียงโคลกน้ำพริกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสัปะงกอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าตบสองฉาดใหญ่ๆหน้าของคนที่ถูกตบหันไปทางซ้ายทีทางขวาทีเป็นไงตาสว่างหรื อ, อยัง ตบเขาแล้วยายยังเยอะเย้ยซะอีกสว่างโรเลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกลพูดพลางใช้มือลูบคำแก้มทั้งสองข้างคั้นเห็นไฟยังไม่ติดจึงยกหม้อข้าวลงจัดการหาขี้ใต้ไม้ขีดมาก่อไฟอีกครั้งเดี๋ยวเด็กข้าวไม่ทันใส่บาดร็อกยายกังวล ทนันสิยายเอาละไว้ติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่ๆเป็นอันว่าเชา้านี้ยายก็ได้ใส่บาทเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบดิบแฉะแฉะเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรดวันนี้เองไม่ต้องลงไปทำงานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทนันยายบอกอย่างหวังดี นิกเกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนวันพระหระครับยายคนเป็นหลานทวงจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะเงินกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกันขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายลงไปทำงานในสวนผมขออนุญาต นอนต่อนะครับยังนอนไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลุกฝังให้เองเป็นคนเกียิคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเองจำเอาไว้ยายคงจะเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับ เพราะอะไรอะไรก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสัพยโกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเร็วๆเข้าไปช่วยกันทํางานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยายสองลิตรบ่ายๆจะได้ช่วยกันทําขนมวันนี้ทําขนมกงกับเม็ดขนุนสองอย่างก็พอ ส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาซักเครือน้อยหนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มเอาไว้เมื่อสองคืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเองเห็นประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรหรื อ, อยังนี่ทายายพาเองขี้เกียจ เราก็ไม่มั่งมีเหมือนอย่างนี้จริงไหมจริงครับและผมก็เห็นว่ายายเป็นคนขยันที่สุดในตำบล น, นี้เมื่อไรที่เขามีการประกวดคนขยันประจำตำบลผมส่งยายเข้าประกวดแน่แน่หมัวพูดมากอยู่นั่นแหละรีบไปช่วยกันทำงานเร็วๆ เ, เข้าประดีิยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วลงเรือนไปก่อนขอผมล้างหน้าแปลงฟันก่อนนะครับ แล้วจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนเซนนะถ้าทำอย่างนั้นยายเครียดหลังหลายจริงๆด้วยไม่แล้วครับผมไม่ชอบถูกยายเครียดบ่อยๆไม่สนุกเลยสักนิดนานๆครั้งยังพอว่าเพราะมันทำให้ชีวิตมีรสมีชาติขึ้นเด็กผมแกละพูดเป็นต่อยหอยตอนบ่ายขายของหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปีบ น้ำตาลทรายขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่ว ก, กลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขาอย่างเช่นมะพร้าวยายเคยพยายามปลูกหากก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าวคนในตำบล น, นี้ต้องซื้อมะพร้าวกินเพราะปลูกเองไม่ได้และมะพร้าวที่มีขายในตลาดนั้น ส่งมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียายผมหิวจังเรากินกว๋วยเตี๋ยวกันคนละชามดีไหมครับหลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเขากินชามละต่างหาสตางสองชามกดตกสิบสตางเสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงิน ยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ำคนเป็นหลานต่อรองไม่เอายายไม่อยากเอาเปรียบเองยายปฏิเสธอย่างนุ่มนวลงั้นยายกินน้ำผมกินเนื้อก็ได้อะคนพูดอยากกินจริงจริงไม่เอายายไม่อยากให้เองเอาเปรียบ ยายหาทางออกจนได้งั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละสามสตางค์เองข้าวบ้านเรามีทำไมจะต้องไปซื้อเกินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคยกว่าจะถึงบ้านผมอาจหิวตายเสียก่อนก็ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมยายถึงขี้เหนียวอย่างนี้สงสัยเวลายายเข้าส่วมต้องถือตะไกรอเข้าไปด้วย หลานชายว่าจะถือเขาไปทำไมยายถามงงๆเอา้าก็เอาไปตัดขี้ยายนะสิคนขี้เหนียวอย่างยายต้องใช้ตะไคร้ตัดไอ้หนูยายเน้นเสียงพลางกัดฟันกรอดกรอดนี่ยายยังไวหน้าเองนะถึงไม่ตีเองกลางตลาดอย่าโม้พูดมากกลับบ้านกันได้แล้วป่านนี้นางด่างนางดำ พากันหิวข่าวแย่แล้วเพราะเมื่อเช้ายายลืมเอาข่าวให้มันกินที่หมายายยังห่วงมันส่วนผมเป็นคนแท้แล้วก็เป็นหลานยายกลับไม่ห่วงถ้าผมเกิดหิวจนเป็นลมตายกลางทางยายก็อย่ามาร้องไห้แล้วกันคนอะไรใจหินเด็กผมแกละตอว่าต่อขานหมาหรือคนยายก็รักเท่ากันนั่นแหละ ยายไม่ใช่คนลำเอียงเอ็งอยู่กับยายมาตั้งนานน่าจะรู้นิสัยยายดีทั้งหมาทั้งเอง็งก็ทำประโยชน์ให้ยายพอๆกันหมามันเฝ้าบา้านส่วนเอ็งก็หุงข้าวให้ยายกินทุกวันแม้ยายนี่ผมรับใช้ยายมาตั้งห้าหกปีมีความดีเท่ากับหมาเอ็งหรือหลานชายเริ่มโกรธ คนกำลังหิวมักโกรธง่ายอยู่แล้วเอาละเอาละถ้าเช่นนั้นยายให้เองดีกว่าหมาหน่อยนึงยังไงยังไงห้มามันก็ไม่ได้เป็นหลานยายหุงข่าวให้ยายกินก็ไม่ได้ยายพยายามพูดเอาใจไม่เห็นหลานโกรธเด็กชายเจริญรู้แน่ว่ายายคงจะไม่ใจอ่อน ยอมให้เข้ากินข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวจึงรีบสาวเท้าเพื่อจะได้ถึงบ้านเร็วๆ เ, เขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดยายจึงตรณีเหนียวแน่นถึงป่านนี้คิดๆไปก็น่าสงสารยายคงไม่รู้หรอกว่าเงินกลมที่ยายสะสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เป็นร้อยๆก้อนนั้นถูกเขาขโมยไปขายทุกวันพระขายเอาเงินไปเล่นทอยกองกับเพื่อน แล้วก็เล่นแพ้ได้ทุกครั้งจนเงินกลมของยายเกือบจะหมดกระบอกอยู่แล้วยายเคยเล่าว่าเงินเหล่านี้บัรนพระบุรุษของยายได้สะสมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ถ้ายายรู้คงลมจับแน่ๆคิดมาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกสงสารยายและไม่นึกโกรธที่ยายไม่อนุญาตให้ซื้อกว๋วยเตี๋ยวกิน เมื่อถึงบ้านเด็กชายจัดการเอาข้าวลงไปให้นางด่างนางดําก่อนแล้วจึงหาข้าวสู่ยายกินยายรู้สึกแปลกใจที่เห็นหลานดีเกินคาดหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะยายเองก็หิวไม่แพ้กันอิ่มข้าวแล้วหลานชายจึงขออนุญาตยายครับผมขอ ง, งีบสักพักนะครับตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยยายทาขนมยายเองก็อายุมากแล้ว ควรจะพักผ่อนสบ้างไม่ได้รอกไอ้หนูยายไม่เคยนอนกลางวันแล้วก็ไม่อยากให้เองทำอย่างนั้นมันเท่ากับเพาะนิสัยเกียรติคร้านกไว้ในตัวเชื่อยายเธอแล้วเองจะเจริญผมก็เจริญอยู่แล้วนี่ยายไม่งั้นจะชื่อเจริญหรือคนเป็นหลานเริ่มจะงหดหงิดอีกครั้งดูเหมือนยายชอบที่จะขัดใจเข้าไปสิทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องกินกับนอนเอาละเอาละไม่ต้องพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแทนที่เองจะนอนก็เอาเวลาไปอา่านหนังสือจะดีกว่าป่อสีแล้วนะไม่เห็นอาน่านหนังสือนังหากับเขาบางเลยปีหน้าก็จะขึ้นมัธยมแล้วยาใช้งานยังกับผมเป็นทาส แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะเขาอ่องานบางหน้าความจริงถึงจะมีเวลาว่างก็ไม่คิดจะอ่านหนังสือที่ไปโรงเรียนทุกวันก็ใช่ว่าจะไปเรียนแต่แอบหนีครูไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆนบ้างไปโดดน้ําเล่นกันบ้างพอใกล้เวลาโรงเรียนเลิกจึงแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ความจริงก็นึกว่า ลูกหลานของตนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขึ้นมัธยมเลยแค่ปอสี่จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาเองอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูอย่าใส่ร้ายป่ายสีใหญ่ถึงป่านนั้นถ้าเองรักเรียนจริงๆกลางคืนเองก็อ่านหนังสือได้นี่เองเล่นนอนแต่หัวค่ำทุกวัน ขนาดยายไม่เดี๋ยวเรียนหนังสือยังนอนดึกกว่าเองก็ผมยังเด็กกําลังกินกําลังนอนอยายจะให้เหมือนคนอายุแปสบได้ยังไงหลานชายเถียงไม่ลดละเอาละ่ะยายไม่เปรียบกับคนอายุ80สบก็ได้เอาอายุสิองเท่าเองนี่แหละเจ้าบุญชูหลานชายยายบุญช่วยนั่นปอ ร, รั เขาอายุเท่าเองเรียนชั้นเดียวกับเองมียายอายุเท่ากับยายเองมีหนำซ้ำยายเขากดตาบอดเขาต้องปรนนิบัติยายทุกอย่างลำบากลำบนกว่าเองหลายเท่านักแต่ทำไมเขาเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ทีหนึ่งทุกปีเมื่อยายพูดมาอย่างนี้ เด็กชายผมแกลกก็ถียงไม่ออกจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสทันใดยายครับผมว่าเรามาช่วยกันทำขนมดีกว่ายายจัดการนึ่งถั่วเขียวส่วนผมจะปอกมะพราะ้าวแล้วขูดให้ยายนะครับเฮียงใหม่ขึ้นแล้วใช่ไหมยายคอนให้หนึ่งวงและจึงลุกออกไปทางานตามที่หลานชายมอบหมายยายนึ่งถั่วเขียวเสร็จจึงนำไปโคลกให้ละเอียดแล้วนาไปกวนกับกะทิ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกวนจนแห้งแล้วนำมาปั้นถ้าเป็นขนมกงก็ปั้นเป็นรูปธรรมจักรแต่ถ้าเป็นเม็ดขนุนก็ปั้นเป็นเม็ดเม็ดเท่ากับของจริงเด็กชายเจริญช่วยยายปั้นแล้วจึงเร่งไฟยายนำแป้งข้าวเจ้ามาละลายน้ำปนกับไข่ขาวตีจนขึ้นฟองเมื่อหลานชายเร่งไฟจนติดดีแล้ว ยายจึงนำกระทะขึ้นตั้งเทน้ำมันบัวลงไปค่อนกระทะเมื่อน้ำมันร้อนจึงเอาขนมกงซึ่งเป็นรูปธรรมจักรชุบแป้งข้าวเจ้าที่ตีกับไข่ขาวนำลงทอดจนเหลืองแล้วจึงตักขึ้นทอดขนมกงเสร็จยายนำกระทะทองเหลืองขึ้นตั้งไฟเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมเมื่อน้ำตาลสายขาวละลายจึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็น แล้วจึงกรองด้วยผ้าขาวบางเอาพวกฝุ่นผงที่ติดมากับน้ำตาลออกไปไอ้หนูต่อยไข่ไก่ห้าฟองใส่กละมังมาให้ยายเอาไข่แดงที่เหลือเมื่อตะกี้ปนลงไปด้วยตื่อให้ขึ้นฟองนะยายสั่งซึ่งหลานชายก็ทำตามอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยช่วยยายมาตั้งแต่หกเจ็ดขวบ เม็ดขนุนชุดแรกที่ตักออกมาจากกระทะทองเหลืองถูกนำมาเรียงลงในถาดเงินสีของมันเหลืองอารามราวกับทองคําแล้วก็น่ากินซะ จ, จนเด็กชายอดใจไม่ไหวพอยายเพลอจึงหยิบเข้าปากไปสองเม็ดทั้งที่อย่างร้อนๆไ อ, อ้หนูเม็ดขนุนหายไปไหนสองเม็ดยายถามพลางจ้องหน้าเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อ เมื่อกี้ยายนับไว้มันมีเก้าเม็ดปัดนี้หรืออยู่แค่เจ็ดผมลองชิมดูว่าจะอร่อยเหมือนทุกครั้งไหมเด็กชายสารภาพหากก็มีเหตุผลประกอบกินก่อนพระเองจะต้องเป็นเปรตยายว่าเปรตเป็นยังไงหรอยายตัวสูงเท่าตนตานปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลาน ยายบอกลักษณะของเปรตตามที่ได้รับฟังมาจากปู่ย่าตาทวดทางนั้นก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องสอยมะม่วงมาปรางตัวสูงขนาดนั้นก็ปลิดจากต้นได้เลยแล้วมือใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องใช้กระบุงใส่ส่วนปากผมนั้นกว้างทำยังไงยังไงก็เป็นรูเข็มไปไม่ได้พูดแล้วก็อ้าปากเต็มที่จนเห็นลิ้นไก่ทำพูดดีไปเถอะ ไปเกิดเป็นเปรตแล้วเองจะรู้สึกยายว่ายายและพรุ่งนี้จะทำกับข้าวอะไรไปวัดครับเด็กผมแกลเปลี่ยนเรื่องถามด้วยคร้านที่จะฟังยายบน่นน้ําพริกผักต้มแล้วกบปลาเค็มป่นคลุกน้ําตาลทรายสมผานทันชอบยายอ้างสมพานแท้จริงยายก็ชอบด้วยเหมือนกัน ค่ำวันนั้นยายกับหลานช่วยกันจัดเรียงข้าวของลงในสาแหกมีทั้งของติดกันเทศและของใช้ของยายซึ่งได้แก่ผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยว่าต้องไปอยู่วัดถึงสองคืนสามวันส่วนเรื่องหมากพลูนั้นตัดออกไปได้เพราะยายเลิกกินหมากมาได้สามปีเขานี่แล้วไอ้หนูเอ็งไปขุดดิน ม, มาก่อนหนึง่งเรียมไว้เสียตั้งแต่คืนนี้เลย พรบกลุ่มนี้ต้องออกจากบ้านก่อนตีห้าพระทันเริ่มเทศคาถาพันเวลาห่านาฬิกาตรงยายออกคำสั่งไปวัดทีไรเขาจะต้องหาของไปส่งยายซึ่งนอกจากจะมีข้าวของสำหรับถวายพระแล้วยังมีดินก้อนโตๆตอีกหนึ่งก้อนยายอธิบายว่าหาบดินเข้าวัดนั้นได้กุศลแรง เพราะเวลาคนไปวัดกันมากๆก็จะเหยียบดินของวัดติดเท้ากลับบ้านทำให้ดินวัดพร่องไปจึงต้องนํามาคืนด้วยวิธีนี้ถือเป็นการใช้หนี้สงเหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมหุงข้าวทำกับข้าวไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งหลานชายเสนอด้วยไม่อยากลุกตอนเช้ามืดไม่ต้องลำบากถึงป่านนั้นพรุ่งนี้ตีสีกดทาทัน เอาเถอะแล้วยายจะช่วยยายไม่สวดมนต์ภาวนาหรือครับไม่เป็นไรยายต้องไปทำวัดเช้าเย็นที่วัดอยู่แล้วบุญอยู่ที่ใจจะทำที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นกุศลเองจำคำที่ยายสอนนะไอ้หนูเอาบุญมาใส่ใจให้มากๆคนที่สะสมบุญไว้มาก เมื่อถึงคราวขับขันบุญก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นจ่วงที่ยายไปอยู่วัดห้ามเองไปก่อกรรมทำเข้นเหมือนที่แล้วแล้วมาถ้ารู้ถึงหูยายเมื่อไร่ยายจะโยงเองไว้กับคือแล้วกดเขียนให้เลือดซิบๆเลยจังเอาไว้เกิดเป็นคนต้องสร้างความดี ไม่ใช่สร้างความเลวร้ายยายทั้งปลอบทั้งขู่ครับครับมียายดุอย่างกับเสืออย่างนี้ผมจะไปสร้างความเลวร้ายได้ยังไงหลานชายผมแกล่ะว่าเอาละดี๋วจัดของเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเข้านอนได้พรุ่งนี้ตีสี่ต้องตื่นยายสั่งแล้วจึงลุกออกไปห้องพระ เพื่อสวดมนต์ภาวนาหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเวลาตีสี่สี่สิบยายกับหลานก็พากันออกจากบ้านหลานชายห่าบสาหรกยายหิ้วปิ่นโตเคลือบบรรจุอาหารหวานข้าวนั่งด่างกับนางดำวิ่งมาส่งถึงประตูรัว้วยายถือคบใต้มาด้วยเพราะมืดมองไม่เห็นทางอย่าลืมเอาข้าวให้มันกินทุกวันละ่ะยายสั่งการ เพราะต้องจากบ้านไปถึงสามวันไม่ลืมรอกยายผมไม่ใช่คนใจไม้เซอรกกรมอะไรหลานชายตอบออกน้อยใจในคำพูดของยายเมื่อวันวานที่ว่ารักเขาเท่ากับหมาแต่จะว่าไปแล้วนางสองตัวนี้มันก็น่ารักตรงที่ซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอปลายยายให้เฝ้าบ้านมันก็ไม่เคยหนีไปเล่นและที่สำคัญกว่านั้นคือ มันไม่เคยขโมยเงินกลมของยายไปขายแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องดีกว่ามันยายบอกว่าคนนั้นต้องดีกว่าหมายอยู่วันยังคำ่ำ